ก็คงจะพูดอย่างเร็วๆนะก็จะเริ่มต้นอย่างนี้นะคือคือว่าความวิปริตเนี่ยถ้ามองในพุทธศาสนาเนี่ยมันมันเกิดมาจากสาเหตุสาปาการเรียกว่าวิปปล่านะวิปปล่นี่ได้แก่สัญญาวิปปลาาจิตตวิปปล่แล้วก็ทิฏฐิวิปปล่านะ สัญญาบิดพราคือการรับรู้ที่ผิดพลาดข้าเพื่อความเป็นจริงจิตวิปรลาดคือการการคิดหรือการการคิดที่คายเคลื่อนเช่นคนบ้ากินเอาญยามากินนึกว่าเป็นข้าวหรือว่าที่จิวิบัปรลาดคือความเห็นที่ผิดตรงนี้นะที่ที่ที่มันเป็นปัญหาที่เป็นต้นตอนนาไปสู่ความวิปริษฐ์่ิตวิวัิปรลาดอย่างนึงคือการที่เห็นว่าความโรมนี่เป็นความถูกต้องอย่างที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่ากรี๊ดอีสกูด กรีตอีสกูดกรีตคือความโลภความโลภความถูกต้องขอให้ถามว่าไอ้ที่ชีิตประหลาดนี้เกิดขึ้นมาได้ย่งไรมันก็ก็อย่างที่อาตมาได้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นนะว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกาความชั่วร้ายหรืออาธรรมเนี่ยมันพัฒนาไปได้รวดเร็วมากคือมันสามารถที่จะซิกแซกแล้วก็อัมพรางตัวเองจนกระทั่งนอกจากจะไม่ผิดกฎหมายแล้วมันยังกลายเป็นความถูกต้องหรือกลายเป็นเรื่องธรรมดาได้เช่นการโกงการคอร์รัปชัน หรือว่าการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะเพราะถือว่ามันเป็นสิ่งที่คืออันนี้เนีจะมามองว่ามันมันไม่ใช่เป็นความสําเร็จของอัตธรรมมาเท่ากับเป็นความล้มเหลวของธรรมะที่ไม่สามารถที่จะตามอัตธรรมได้ทันนะจนกระทั่งอัตธรรมเนี่ยมันสามารถที่จะซิกแซกจนกระทั่งกลายเป็นของถูกต้องขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นก็ต้อง ก็เลยเกิดทิฏฐิวิปลาดขึ้นมาว่าการโกงเป็นของดีเป็นความเป็นความถูกต้องขายที่โกงก็ถือว่าธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็ทําอย่างนั้นบ้างนะอันนี้จะมาคิดว่าเป็นทิฏฐิวิปลาดอย่างหนึ่งคือการเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วร้ายเป็นเป็นเป็นถูกเป็นสิ่งถูกต้องเช่นเรื่องการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายหรือในเชิงบุรณาการเนี่ยเรืองนี้มันก็เริ่มกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือกฎหมาย และก็กําังวลายเป็นความถูกต้องนะการเอเปรียบสัสงคมและต่างๆให้ปัญหาคือว่า จ, จริตธรรมหรือธรรมะเนี่ยต้องพัฒนาตนจนสามารถที่จะท้อทันความชั่วร้ายได้สามารถทาให้ความชั่วร้ายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอําพรางตนได้ไม่ว่ามันจะซิกแซกแค่ไห น, นไม่ว่ามันจะใช้กฎหมายอะไรก็ตามเมื่อมันโทรมาก็จะชี้หน้าได้ว่านี่คือความผิดนี่คือความไม่ถูกต้องนะซึ่งตอนนี้เนี่ยธรรมะเนี่ย ตามไม่ทันเนี่ยคือ ช, ชลาภาพมากนะคือมันไม่วันจะซิกแซกไปไหนเนี่ยต้องดักหน้าทันแล้วก็ชีห้หน้าในวันนี้คือความความความความไม่ถูกต้องนะไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายอย่างเดียวหรือถึงแม้ถูกกฎหมายก็ยังเป็นความไม่ถูกต้องอยู่อย่างนั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะรวยแล้วไม่ช่วยคนอื่นเนี่ยหรือว่ารวยแล้วไม่ช่วยคนอื่นหรือว่าเซื้อหุ้นมาได้เยอะๆแล้วไม่ไม่ไม่เสียภาษีให้แก่ประชาชนไม่ตระหนักว่า ไม่เสียภาษให้แก่สังคมไม่ตระหนักว่าตัวเองเนี่ยได้รับประโยชน์จากสังคมอย่างไรจริยธรรมสมัยใหม่ต้องต้องบอกได้ว่านี่คือการเอาเปรียบสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกับที่เราเคยมีความเชื่อร่วมกันในสังคมว่าผู้ประสบภัยซูนามิใช่ไหมแล้วคุณรวยคุณรวยมากคุณบริจาคหมื่นเดียวถูกต้องไหมใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันไม่ถูกต้องในทางศีลธรรม เพราะว่าคนที่มีฐานะมีหน้าที่ทางศีลธรรมก็คือการช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากถ้าคุณเป็นนักกีฬาชื่อดังคุณได้เงินมาเป็นล้านคุณบริจาคหมื่นเดียวหรือว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทกิจการหลายหมื่นล้านคุณให้แสนเดียวใช่ไหมให้แก่ผู้ประสบพายุนรีอย่างนี้จะได้ทําสมัยใหม่ต้อ ง, ต, องต้องสามารถที่จะกําหนดได้ว่านี่คือความไม่ถูกต้องนะซึ่งน่าเสียดายว่า ศาสนาเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่นี้เท่าที่ควรคือศาสนาเนี่ยก็ยังติดยึดยึดย่องสินห้านะเอ๊ะรวยแล้วไม่รวยแล้วไม่ช่วยคนยากจนก็ไม่กิดศินอะไรเนี่ยก็ถือว่าลอยตัวไปอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้คือความความความไม่ทันกาลไม่ไม่เท่าความไม่ความเล่อละล้าสมัยของจริย ธ, ธรรมโดยเฉพาะในทางศาสนานซึ่งเราเห็นว่ามันต้องไปต้องไปมากกว่านี้ แล้วทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าอย่างที่ได้เน้นว่าจริยธรรมสมัยใหม่เนี่ยปัจจุบันหลายอย่างมันไม่ได้มีพื้นฐานมาจากศาสนาเช่นเช่นว่าอย่าไปทําลายป่านะถ้าคุณทําลายป่าผิดนะถ้าทําให้น้ําเสียนี่ผิดนะไอตัวกําหนดว่าผิดเนี่ยมันไม่ได้มาจากศาสนาแต่มันมาจากจริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาจากพ้หลังด้วยซ้ำใช่ไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนา สำนึกทางจริยธรรมเนี่ยให้มาทันกับเหตุการณ์แล้วก็สามารถที่จะทันความชั่วร้ายได้ไม่ว่าจะซิกแซกแค่ไหนถึงที่สุดก็ต้องคนก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันก็ยังผิดวันยังค่าแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายก็ตามผมคิดครับยังอาการวามวิจารณ์ที่เกิดในโลกหรือว่าเอามาในประเทศไทยเราทุกวันนี้ในเรื่องของจริยธรรมนะครับเผมคิดว่ามันมันมีพลังพอหรือ ย, อยังที่คนจะรู้สึก ตื่นตัวแล้วก็เรียกหาแล้วก็น้องนำเข้าอยู่ในตัวหรือว่าก็มองแต่ ว, ว่าก็ใครพลาดก็ช่วยไม่ได้อยาให้จฉันฉันจะไม่เปิดช่องว่างมันไม่มันไม่มีพลังเพราะว่าอยู่มาสองสาปารนรประกานะรกาแรกคือว่าไอเกณฑ์ที่เราเรียกว่าจริยธรรมเนี่ยมันไ ม, ไม่ไม่ทันสมัยใช่ไหมเราเราปล่อยให้ในายทุนมาบอกว่าถ้าคุณไม่ใช้ถ้าคุณถ้าคุณใช้ DVD ที่ไม่อนุญาตนะถือว่าขโมยนะ แต่ว่าเวลาเขาเอาเปรียบคนเอาเปรียบแรงงานกรรมกรเอาเปรียบแรงงานในโรงงานเขากลับไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบหรือไม่เปรียบไม่ถือเป็นการขโมยคือเรากกรละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาถือว่าเป็นการขโมยแต่การเอาเปรียบคนงานในโรงงานไม่ถือเป็นการขโมยถามว่าใครกำหนดจริยธรรมนี้ไม่ใช่าศาสนานะแต่คือคือทุนนิยมนะแต่ถ้ า, าศาสนาเนี่ยเท่าทันทุนนิยมก็จะบอกว่าโอเคผิด okay, ใช้ดีวีดี ท, ที่ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี่ขโมย แต่การอเอาเปรียบกรร ม, มกรก็ขโมยด้วยเหมือนกันตรงนี้มันไม่มีรัฐศาสนาไม่ทําหน้าที่นี้ก็ต้องก็ต้องเ <c ười> นี่ยคือ <c ười> เป็นหน้า <c ười> นที่ของศาลได้เลยนท่าน<ช>แต่มันมีชั้นของกฎหมายกับชั้นของจริยธรรมคืออันนี้เป็นหน้าที่ของสาลชิรชนที่จะต้องออกจากขอภัยนะต่อออกจากกลาออกจากกลาเพื่อที่จะเห็นว่าไอ้แบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่าไปติดใจเฉพาะเรื่องศีลห้าเฮ้ยถ้าว่าถ้าวัดทำไมก็กรอบศีลห้าก็ถือว่าไม่บาปคือ เวลานี้เนี่ยแม่กระทั่งเราต้องพัฒนาจนทั่งเห็นว่าการที่คนเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครช่วยช่วยสังคมเนี่ยนะมันเวลานี้เขาเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่หรว่าเป็นความถูกต้องแต่เป็นความถูกต้องที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางศาสนาแต่ถ้าเร า, าศาสนาสามารถที่จะก้าวไปจนกระทั่งบอกได้ว่าไอ้การที่ไปช่วยเหลือสังคมนี่ก็ถูกนะเพราะว่ามันเป็นบุญน ะ, ะตรงนี้เนี่ยเริ่มเริ่มตามทันแล้วใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยคนไม่มีความรู้สึกแล้วว่าไอ้การไปช่วยสังคมนี่เป็นบุญ เพราะว่าคอนเซปต์เรื่องบุญเนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องพวงนี้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้แม้จะมาเชื่อตรงนี้ต้องไปให้ถึงตรงนั้นด้วยนะยกตัวอย่างเนี่ยประการที่2คือว่าขาดการร่วมแรงร่วมใจในการที่ขยายพื้นที่ทางศีลธรรมเพราะไปคิดว่าศิลธรรมนั้นเป็นเรื่องปฏิบัติบุคคลนะและศิลธรรมนี้จํากัดเฉพาะวันพระใช่ไหมแต่ไม่ได้เห็นว่าศีลธรรมนั้นเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ขยายไปถึงเรื่องชีวิตด้านอื่นๆ การค้าการขายต้องมีสัมมาอาชีวะเป็นต้นการขายเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบลูกค้าถือว่าผิดนะจะเสียข้อไหนก็แล้วแต่รวมไปถึงขยายพื้นที่ให้กับสังคมวงกว้างตอนนี้นี่คือปัญหาของชาวพุทธว่าทุกวันนี้ในชาวพุทธเนี่ยเราเราเราเก็บตัวเราเราจำกัดพื้นที่หรือมิติทางศิลธรรมเนี่ยหรือธรรมะเนี่ยไว้เพียงแคบ ตัวนี้เนี่ยท่านจะเป็นโรตีดกท่านพูดได้เสือไว้นานแล้วในพุทธธรรมท่านบอกอย่างนี้ฮนะถ้าพุทธศาสนาจํากัดตัวเองแค่การปฏิบัติตัวคนไม่เป็นมีส่วนในการปรับปรุงสังคมหรือจัดสรรระเบียบแบบแผนทางสังคมให้สมสมัยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในเคืองหมายคำพูดนะฮะเขตแดนแห่งการปฏิบัติตามหลักการของพุทธศาสนาหรือวงการดําเนินชีวิตแบบพุทธจะรัดตัวแคบเข้าและจะเป็นแต่ฝ่ายรับไม่ได้เป็นฝ่ายลุกเลย ทำให้ชุมชนชาวพุทธถอยล้นห่างออกไปจากสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์นะฮะยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนหนีไปรวมกันอยู่บนเกาะที่ถูกน้ําล้อมรอบขาดจากชาวมนุษย์คนอื่นนี่คือการที่เราเห็นว่าไอ้เรื่องข้างนอกเรื่องสังคมเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธศิลธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องข้อปฏิบัติส่วนบุคคลมันทําให้พื้นที่ทางศีลธรรมเนี่ยและาศาสนาเนี่ยหดแคบเข้าเรื่อยๆจนทั่ง กระจุกอยู่นิดเดียวนี่อาตมานีงบอกว่าจะต้องขยายจะต้องนอกจากจะต้องขยายมิติทา ง, งทางศาสนาหรือจริยธรรมให้กว้างเนี่ยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ผลักดันขยายพื้นที่ทา ง, ทางศิลธรรมให้ไปสู่สังคมให้ไปสู่เศรษฐกิจ ก, การเมืองอาตมายังมองเลยว่าการเคลื่อนไหวเรื่องคัดค้านการสุขคุณนเนี่ยนะมันอาจเป็นโอกาสในการปักหมุกทางศีลธรรมให้กับบ้านเมืองเพราะถ้าปล่อยให้การสุกคุ้น หรืออะไรอะไรต่างๆเกิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และที่ะตามมาเนี่ยยังดําเนินต่อไปพื้นที่ทางศีลธรรมก็จะผดแคบเข้าผดแคบเข้าจกนกระทั่งการเมืองเป็นเรื่องของอธรรมนะฮะนี่อาตมาคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญว่าจะปล่อยให้ผ่านเลยไปไม่ได้จะต้องถือเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมที่ต้องให้ขยายพื้นที่ทางศีลธรรมให้เข้าไปให้ได้นะแต่ต้องทําด้วยสันติวิธีต้องด้วยด้วยธรรมะไม่ใช่ด้วยการการ การหลอกลวงการใช้ความดุนแรงหรือการเห็นคนที่ต่างจากตัวเป็นศัตรูซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ธรรมะนะแล้วการที่3สุดท้ายสำคัญมากคือว่าจะต้องถึงที่สุดแล้วจะต้องตะนักวพื้นที่ทางทางจริยธรรมเนี่ยสุดท้ายสมรภูมิสําคัญที่สุดอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่อยู่ที่ข้างนอกไม่ใช่อยู่ที่สนามหลวงนะสมรภูมิทางจริยธรรมสาคัญที่สุดคือที่จิตใจแล้วจะสู้กับโลกที่วิปลิตได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ ด้วยตัวนี้เป็นการประกรันสำคัญอาจารย์พูดท่าท่านตำหนักดีว่าไอ้ความพิลิตรของโลกนี่มันร้ายแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นว่าจะต้องสู้ด้วยโลกุลกตรธรรมไม่ใช่ศีลธรรมพื้นๆแค่ศีลห้ามันต้องเอาศีลเอาโลกุตรธรรมเข้าไปสู้เลยคือไฟยิ่งร้อนเท่าไหร่ต้องยิ่งต้องเอาน้ําที่แรงเท่านั้นแล้วโลกุตรธรรมคือคือน้ําที่จะสู้กับไฟได้แม้ว่าโลกุตรธรรมนั้นจะสถิตยอยู่ในใจของคนเพียงคนเดียว แต่ถ้าเป็นโลกุตตรธรรมที่ไปพ้นที่เป็นอิส ร, ระจากจากโลกธรรมจากความปนผลฝุ่นแปงไม่ว่าจะขึ้นหรือลงสำเร็จล้มเหลวชื่อเสียงเกียรติยศสรรเสริญนินทาถ้าโลกุตตรธรรมไปถึงขั้นนี้มันสู้โลกทีวิตรผลิตได้และเราคิดว่าสําคัญมากที่เราต้องฟืนฟ้นฟูโลกุตตรธรรมขึ้นมาให้อย่างน้อยเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่ให้สถิที่กลางใจเราแล้วแผ่ไปเป็นอย่างเป็นเครือข่าย ขยายพื้นที่ทางโลกุตตรธรรมเข้าไปสู่สังคมเริ่มต้นจากการขยายมิติของจริยธรรมให้กว้างกว่าที่เป็นอยู่ในตรมาคที่ว่าอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะสู้กับโลกวิปริตได้ อ, อ, อญญาจารย์สวรนาที่จะเติแมแง่มุมจากที่หลวงพี่ได้ให้ไว้